ก็ จ, จะทำความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นหรือว่าสร้างความหายน ะ, ะยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายอย่างเช่นสงครามที่เกิดขึ้นสงครามโลก ค, ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็อีกหลายครั้งนี่คนตายกันเป็นสิบสิบล้านนะ มีการเอาคนยิวไปเข้าค่ายกักกันลงควันตายกันหกล้านคนอันนี้ไม่มีสัตว์ชนิดใดทำได้นะนอกจากคนการที่คนทำกันได้นี่ก็เป็นเพราะใช้เทคโนโลยีวิชาความรู้ไปในทางที่ผิดอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจนะให้ รเสริการฝึกฝนเนี่ยนะมันทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นสัประเสริได้แล้วพูดถึงการฝึกฝนก็มีสองอย่างใหญ่ๆนะฝึกฝนกายกับใจการที่ฝึกฝนกายกับใจได้เนี่ยเราก็ต้องรู้ถึงธรรมชาติของกายและใจนะซึ่งก็มองได้หลายแง่นะ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 คนว่าอยู่ที่สมองก็ไม่ใชนะ่เราไม่รู้ว่าใจอยู่ไหนแต่ว่ามันมีอยู่กายเนี่ยนิสัยหนึ่งของกายคือว่ามันชอบอยู่เฉยๆชอบนิ่งๆนะถ้าได้นั่งถ้าได้นอนเนี่ยกายจะชอบมากเลยแต่ใจนังตรงข้ามนะใจมันชอบนะทำโน่นทำนี่เนี่ยมันอยู่นิ่งไม่เป็นนะใจเนี่ย จะให้นิ่งนี่ก็เหมือนกับว่าทรมานมากไม่ต้องทำโน่นทํานี่สารพัดนะฉั้นการฝึกกายเนี่ยนะกับการฝึกใจนี่จะว่าไปมันก็ไปคนละทางเหมือนกันนะเวลาระฝึกกายเราต้องฝึกให้มันทํานะฝึกเช่นฝึกออกกําลังกายเนี่ยคนไม่ออกกำลังกายหรอกอยากจะนั่งนิ่งๆดูโทรทัศน์หรือว่านั่งเฉยๆนะก็ต้องฝึกให้เขานะทําโน่นทนํานี่ออกกําลังกายเป็นต้น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 แล้วเราก็รู้นะว่าไม่ว่าจะเป็นการเขี่ยเข็นให้กายออกกําลังก็ดีหรือว่าการฝึกจิตให้มันอยู่นิ่งก็ดีนะล้วน แ, วแต่เป็นเรื่องยากนะเพราะว่าทวนกระแสความเคยชินของมันกายเนี่ยนะมันเพราะเหตุที่ว่าไม่ชอบทำอะไรนะมันก็เลยชอบวางนะวางจะให้มันแบกอะไรมันไม่ชอบแบกนะ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 แล้วเกิดอะไรขึ้นนะเกิดความทุกขนะ์การฝึกจิตนะด้านนี้ก็คือการฝึกให้มันปล่อยให้มันวางนะซึ่งก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าใจนี่มันชอบแบบนะแล้วเราก็คงรู้ว่ามันมันไม่ยากออมันไม่ง่ายเลยนะในการที่จะทำให้ใจนี้ปล่อยใจนี้วางแต่ก็จําเป็นนะสาคัญ แต่ขณะที่เราฝึกกายให้มันน่องแบกโน่นแบกนี่เพื่อให้มีพละงกาลังการฝึกใจให้ปล่อยให้วางเนี่ยกลับช่วยทําให้จิตนี่มีพลังนะมันแปลกนะตรงข้ามนะร่างกายนี่ต้องแบกต้องทำโน่นทํำนี่มันถึงจะมีความแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังวังชาแต่ใจเนี่ยนะมันต้องปล่อยต้องวางให้มากขึ้น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 คนเราส่วนใหญ่เนี่ยเวลาหยิบอะไรนั้นไม่ค่อยมีปัญหานะหยิบข้าวหยิบของเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคือรู้ว่าจะหยิบอะไรยกเว้นคนที่มือไวอันพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็หยิบโน่นหยิบนี่จนกระทั่งไม่รู้ตัวก็มีอันนี้ก็ยกไวเพราะเป็นคนกลุ่มน้อยประเภทมือไวนะเข้าไปในห้างเนี่ ย, ยหยิบโดยที่ไม่รู้ตัวก็มีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราหยิบเนี่ยเรารู้ตัวเวลาเราถือเนี่ยเรารู้ตัว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 ทำไปกุ้มไปเพราะไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่กาลังทํานี่มันยากแต่เพราะว่ามันมีอีกเจ็ดแปดชิ้นที่รออยู่อันนี้รว่าแบกนะแบกโดยไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นงานทุกข์เครียดท้อนั่นคือความทุกข์ใจนะที่เกิดจากการแบกโดยไม่รู้ตัวใจเนะ่ะแบกไม่รู้ตัวแต่ปัญหาอีกด้านนึงก็เกิดจากการที่มือเราเนี่ยนะมันวางอะไรต่ออะไรโดยไม่รู้ตัวเหมือนกัน นั้นการฝึกอย่างหนึ่งนะที่เราจะอยากจะแนะนําให้เราลองฝึกนะก็คือว่าเว้ว่าเวลาเราจะวางของอนะเวลาเราจะวางแล้วก็ตามเนี่ยให้วางด้วยความรู้ตัวให้กําหนดสักหน่อยไม่ว่าสิ่งที่วางนี่จะเป็นเสื้อผ้ายาสีฟันนาฬิกานะเราก่อนจะวางนี่กําหนดสักหน่อยนะแล้วก็วางถ้าทํางี้เนี่ยนะ เวลาเวลาจะนึกว่าเอ้ยราวางของไว้ที่ไหนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจําได้ได้ง่ายกว่าจะไม่มีปัญหาว่าวางของไว้ที่ไหนนะกุญแจนะกระเป๋าเงินโทรศัพทนะ์นี่เป็นปัญหาคนในเมืองมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราวางของกันเรี่ยราดมากแล้วก็บ้านนี้ก็เต็มไม่ได้เข้าของเวลาจะหาก็หาไม่เจอไม่รู้วางไว้ตรงไหน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 สร้างตัวรู้ขึ้นมารู้รู้รู้รู้สร้างเอารู้สึกตัวขึ้นมาได้เยอะนะอ น, นี่แหละ ว, ว่าฝึกสติด้วยการวางของอย่างมีสติอย่างให้เป็นที่ส่วนใจเนี่ยก็ต้องฝึกนะว่าให้รู้จักแบกให้รู้จักยึดให้รู้จักถือเนี่ยนะอย่างรู้ตัวสักหน่อยนะเวลาจะจะทำอะไรเนี่ยใจก็อยู่กับสิ่งนั้นนะ อย่าเพิ่งไปถืออะไรมากมายนะอย่าเพิ่งไปแบกอะไรมากมายเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างอันเนี้ยนะมันเป็นการวิธีมันเป็นวิธีฝึกใจได้ดีถ้าเราพิจารณาดูนาการปฏิบัติเนี่ยโดยเพราะการฝึกใจเนี่ยมันก็คือการทวนกระแสนะความเคยชินใจมันชอบคิดสารพัดเราก็ฝึกให้มันรู้จักวางบ้าง หุดคิดมัง่งใจมันชอบทำโน่นทำนี่ก็ฝึกให้มันนิ่งๆบ้างนะใจมันชอบแบกชอบยึดก็ฝึกให้มันวางอาการเจริญสติเนี่ยนะสาระหรือแก่นแท้มันก็คือฝึกให้รู้จักวางนะทีแรกวางด้วยสตินะคือที่ไปยึดที่ไปแบกเนี่ยพอไม่รู้ตัวพอมีสติปุ๊บมันวางเลยอย่านงะเช่นเราสังเกตมว่าเวลาเราเจริญ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 เราแต่เบรคครั้งเดียวเนี่ยมันมันชะงักสักหน่อยแล้วมันก็ไปต่อนะเราต้องแต่เบรคหลายครั้งบางครั้งไอ้สิ่งที่เราคิดเรื่องที่เราคิดเนี่ยโหมันมันมีเรื่องอารมณ์ผูกพันเข้ามามากมันก็เลยคิดนะมีมีเรื่องมีราในการคิดมากมันเกิดโมเมนตัมนะสติอ่อนๆเนี่ยแตยังชะลอมันไม่ได้แต่เบรกมันไม่ได้แค่ชะลอนะแต่ว่าถ้าเรามีถ้าเรามีสติ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 เราเสียดายของนะเงินของที่หายเงินที่ถูกโกงนะแล้วเราก็คลื่นคิดถึงมาอยู่นั่นแหละแต่เมื่อใดก็ตามที่เรามีปัญญาเห็นว่าโอ้ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสักอย่างนะอย่างที่เราสอนเมื่อสักเมืม่อสักครู่เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตานะเมื่อนั้นย่อมเหนืยใ น, ในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเป็นธรรมบทจด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 มันมีเรื่องเล่านะอันนี้เป็นเกิดประวัติของท่านเวยหลางนะเมื่อสองปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ได้ไปวัดกวงเสี่ยวกับคุณหมอตัวแล้วก็อีกหลายคนนะวันนี้เนี่ยมีชื่อมากเพราะว่าเมื่อประมาณพันเท่าไรปีที่แล้วน ะ, ะท่านประมาณนั้นนะ่ะนะท่านเวยหลางได้ได้มาที่วัดนี้ตอนนั้นยังเป็นคารวาสอยู่แต่ว่า ภูมาธรรมเนี่ยเป็นที่ยอมรับของอาจารย์นะจึงกับยกตําแหน่งสังฆปริณายกองค์ที่หกให้แต่ว่าท่านก็ต้องหนีหนีภัยนะก็มาที่กวางโจเนี่ยก็มาที่วัดกวงเซี่ยวตอนที่มาถึงนี่ก็กําลังมีการแสดงธรรมโดยอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งคนก็แน่นสาลาเลยนะล้นออกมาข้างนอกระหว่างที่อาจารย์แสดงธรรมเนี่ยก็บังเอิญ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 เราเข้าใจตัวเราเองบ้างหรือเปล่าเนะี่ยเราอยากให้คนอื่นรู้ใจเรานะเขาไม่รู้ใจเราเลยทําไมเขาทาแบบนี้แล้วเราถามตัวเองบ้างหรือเปล่าว่าเรารู้ใจตัวเองบ้างไหมเรามักจะบ่นว่าเนี่ยทําไมเขาพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้ได้ยังไงเนะี่ยแต่เราเคยถามเคยทวงตัวเองไม่ว่าเออทําไมถึงต้องโกรธเพียงเพราะคําพูดแบบนี้ของเขา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 แต่เราไม่เคยเรียกร้องหรือทักท้วงตัวเองว่าเออทําไมเราถึงทุกเพราะเหตุนั้นทำงานเราจะไม่ทุกขนะเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้ว ถ, ถ้ากลับมาดูใจของเราอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะพบว่าไอความทุกข์ใจเนี่ยมันรู้แล้วแต่มีเหตุปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเรานะเสียงดังไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่เป็นเพราะใจของเราต่างหาก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 เสียงมารบกวนเรานะ่ยแต่ที่จริงอ่ะเราไปลบกวนเสียงต่างหากความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อใจเนี่ยไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงนะพอใจไปทะเลาะเบาแวงกับเสียงมันก็ทุกเลยนะถ้าเสียงมาแต่ใจไม่ไ ม, ไม่ทะเลาะด้วยนะมันก็ไม่ทุกใจนะดังเวลาทุกข์ใจนี่อย่ายไปโทษอย่าไปโทษเสียงนะต้องไปโทษว่าเออแล้วไปทะเลาะกับมันทําไมใจเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงนั้นทําไ ม, ไมเรียกว่าตบมือข้างเดียวไม่ดังเนะี่ย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 มันก็จะโกรธเป็นวันเป็นคืนทั้งที่โกรธนี่ทุกนะแต่ว่ามันไม่ไม่มันไม่ยอมที่จะจะดึงจิตออกมาจากความโกรธนะขณะที่ร่างกายเนี่ยไม่ต้องสั่งมันทำนํำทันทีโดนไฟโดนน้ําร้อนนะโดนน้ําเนี่ยไม่ว่าที่มือที่เท้าเนี่ยมันรีบถอนทันทีเลย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 ปัญหานี้มันจะไม่เกิดนะถ้าเกิดว่าเรากลับมาดูใจของเราแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะทก็จะเห็นว่าโอ้ใจมันกำลังทำกาลังทาร้ายตัวเองกำลังซ้ำเติมตัวเองสติมนช่วยทำให้ใจเนี่ยถอนออกมาจากไฟโทสะถอนออกมาจากความเศร้านะเคยสังเกตมาเวลาคนเศร้าเวลาเสียใจเนี่ยชอบฟังเพลงแบบไหนนะเพลงสนุกไ้ยเพลงมาร์ชไหมเปล่านะ ชอบฟังเพลงเศร้านะมันยิ่งครุกเคล้าอยู่ในความเศร้ามันก็จะจมอยู่ในหลุมแห่งความเศร้ามากขึ้นความโกรธก็เหมือนกันนะยิ่งโกรธใครก็จะยิ่งถึงความไม่ดีของเขานะเขาอาจจะเคยทําไม่ดีกับเราไม่กี่อย่างนะแล้วก็ผ่านไปหลายปีก็เก็บประมาคิดอยู่นั่นแหละไอ้ความดีที่เขาทานี่มีมากมายนะไม่มองไม่เห็นแล้วพอยิ่งคิดยิ่งคุยก็ยิ่งทุกข์ยิ่งแค้นยิ่งโกรธ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 ชอบท่องเที่ยวยิ่งต้องฝึกให้มันนิ่งบ้างนะยิ่งมันชอบหนี จ, ออจากออกจากตัวเองเท่าไหร่ ย, ยิ่งต้องฝึกให้มันอยู่กับตัวให้มากๆนะจะตามใจมันนะตามใจมันในที่จริงก็คือตามใจกิเลสนั่นแหละแล้วก็ชีวิตก็จะไม่เปลี่ย น, นจิตใจก็จะไม่พัฒนาเลย